หาถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายไว้เวียนตามกรรมธรรมาตายแล้วต้องเกิดกำเนิดในภพภูมินานาน ชาตินิดใดพรมสวรรค์ชั้นไหนนรกเปรตทสุรกายผลกรรมทําไว้จะคอยบัญชาใครทําความชั่วโดยไม่กลัวบาปการรมต่ำช้าเครือข่ายนรกคอยไม่ให้ ลอยสูญหายไร่รองรอยบาปมากบาปน้อยคอยทรมาร์าสีคขันห้าถึงเวลาก็มามาลายจิตนี้ไม่มีตายไว้เวียนตามกรรมธรรมมา ด้วยการให้ทานถือสินภาวนาแบ่งสมบัติอันพอมีบริจาคเลยยินดีแผ่เมตตาและปรานีนั่นแหละผลดีจะยิ่งมีมาสัตว์และคนเกิดก่อน เพราะกรรมทำไว้รอ ก, อ ก, ารอกนาะสัต์เขาเกิดมาใช้กรรมเห็นเขาต่ำย่ำยีเข้าหมดกรรมในชาตินี้เกิดไม่อาจดีกว่าเราได้นะหาสีคขันห้าครึ่งเวลาก็มามาลาย ว่ายเวียนตามตามมาลวงตาบอกว่าถ้ามองเห็นรบด้วยตาดังโทรทัศน์ที่เห็นทุกช่องเช้าสายบ่ายเย็นรับรองคนที่มองเห็นจะเว้นไม่ทำกรรมชั่วชีว่า แสนสุขแต่นกรกทุกมากหนักหลวงตากล้ายืนยันด้วยสักกิ่งทุกสิ่งอันให้ลูกนหลานนั่งพากันสร้างทางสวรรค์นในดันเวลา มามาไลายจิตนี้ไม่มีตายว่ายเวียนตามตามธรรมมาธาตุสี